ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่110โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีกติธรรมก่อนฟังธรรมคติธรรมก่อนฟังเ p 3แผ่นที่110ให้กติธรรมว่าสัจเจนาลิกะวาทิหนังจงชนะคนพูดเท็จ ด, ด้วยความจรงิง อันนี้คือการเกิดมาเป็นในมวลมนุษย์ชาติแต่นิสัยมันแปลกแตกต่างกันแต่บางคนก็ชอบชอบพูดแท็้พูดแก้ตัวเป็นครั้งครั้งคราวๆเป็นวันๆเป็นเดือนๆปีๆในหมู่ในคณะหาความสัตย์จริงไม่ได้แปลว่าเป็นคนเลาะแหละในชุมชนในสังคม ถ้าว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าปาไหลในยุคสมัยนี้พวกเราครบไม่ได้ผู้ที่มีความสั์จริงและคบไม่ได้เพราะฟังฟังดูแล้วหาความสั์จริงไม่ได้ในคนคนนั้นเพราะนั้นใน ห, หลักธรรมคำสอนของพุทธะท่านจึงว่าสัจเจนาลิกะวาทิหนังจงชนะคนพูดเท็จ ด, ด้วยความจริง เพรานั้นพวกเราท่านทั้งหลายเอาความจริงมาพูดกันออมีเรื่องยังไงก็พูดกินกันตามความเป็นจริงออแต่ว่าเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาอีกส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าเราใช้ความจริงจริงๆเอามาพูดเปิดเผยในที่สาธารณะเรืยกวเปิดเผยในสิ่งที่ไม่ควรจะเปิดถ้ามันเปิดเผยออกมาแล้วจะเสียหายเราอย่างนี้นะ เราก็ต้องใช้ปัญญาของเราอีกส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันถ้าเราพูดออกไปนี่จะเสียหายเราก็บอกว่าเราสงวนลิขิตเราจะไม่ขอแสดงความคิดเห็นในจุดนี้เพราะเราเห็นแล้วว่ามันจะเสียหายมากกว่าที่้การที่จะได้รับผลถึงเราจะพูดความจริงก็เถอะแต่ว่าจริงเข้าไปแล้วนะมันเสียหายมากกว่า อันนี้เราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าเห็นอะไรพูดอะไรก็เห็นพูดผ้ามไปหมดเอาความจริงมาพูดทั้งหมดตามความเป็นจริงอันนั้นก็เสียหายเมื่อเสียหายเข้ามาแล้วมันแก้ไม่ได้มันเกินไปเสียแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านน ะ, ะการใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบใช้เหตุและผลบวกลบคูณหารได้เสีย อันนั้นจะเกิดประโยชน์มากกว่าการกล่าวรัอวการให้คติธรรมในแผ่นที่หนึ่งร้ก็เห็นว่าสรงควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนต์ไรยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบสุขกายสุขใจดวงตาเห็นธรรมในที่สุดทุกท่าน ทุกคนด้วยเธิน